จะสิ้นปีแล้วปีปีนี้ได้อะไรกันบ้างปีหนึ่งปีหนึ่งนะเร็วเอเอเผลอๆนะปล่อยวันปล่อยเวลานะผ่านไปแปบบ๊แบๆบแปบ๊บหนึ่งก็ปีหนึ่งละตอนเด็กๆรู้สึกปีหนึ่งนานนะพอยิ่งแก่เวลาเหลือน้อยนะรู้สึกทำไมมันเร็วเร็วยิ่งงานเยอะๆแบบหลวงพ่อนะ รายการมันต่อต่อต่อกันเพอไปแป๊บเดียวแล้วจะสิ้นปีแล้วจะสิ้นปีต้องถามว่าเราปีนี้ได้อะไรบ้างนะต้องสำรวจตัวเองนะสำรวจเป็นระยะระยะไม่งั้นเราจะประมาทเรารู้สึกเวลาเหลืออีกเยอะยังหนุ่มยังสาวหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆภาวนาไม่เลิกเลยมันชอบภาวนาตั้งแต่เจ็ดขวบ เจ็ดขวบก็หัดทาสมถะหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งด้วยเข้าพูดออกโทนับสองนะีเรียนจากท่านพ่อหลีนะท่านให้เรานับถึงสิแล้วก็นับลงมาเก้าปดเจ็ดอะไรนะี้นับขึ้นนับลงเราเด็กเล็กเนาะนับอย่างนี้นับไม่ไหวรู้สึกยากหลวงพ่อเล่นนับไปถึงร้อยหายใจเวลาจิตสงบเนี่ยหายใจจนถึงหนึ่งนี่นานนะ พรมันจะหายใจยาวนานแต่ลมหายใจพอภาวนาพอมันจะสงบนะมันจะหายใจตื้นๆ น, นี่ก็ลมมันสั้ น, นหายใจตื้นๆตื้นๆตื้นๆ้นแล้วมันหยุดแตหยุดก็ไม่ตายนานๆก็หายใจทีนึ่งนี่ฝึกต้งแต่เด็กๆ ก, ก, ก็ฝึกแต่สมถะนะไม่มีปัญญาเด็กฝึกสมถะง่าย เด็กไม่คิดมากถ้ามันพอใจที่จะรู้ลมหายใจมันก็รู้มาไปเรื่อยนะมันมีความสุขเพลินมนฝึกง่ายผู้ใหญ่คิดเดยอะวันๆันึงมีแต่เรื่องคิดเดยอะแต่หลวงพ่อเด็กๆนะหัดสมาธิน่ง่ายเพราะครูบาอาจารย์บอกให้หายใจก็หายใจแล้วไม่คิดมากเราหายใจแล้วจะได้อะไรจะเป็นยังไงพวกเราพอหัดพอนาพอเริ่มหายใจเราก็เริ่มนึกเลยใช่ไหมเมื่อไรจะสงบ เมื่อไหร่จิตจะรวมอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะสว่างนึกย่างไงก็ไม่สงบไม่สะอาดไม่สว่างนะมันฟุ้งซ่านการฝึกได้แต่เล็กๆก็ดีมีลูกมีหลานนะเจ็ดขวบไปแล้วนี่ยให้เริ่มหัดภาวนาไปนะมีน้องมีอะไระสอนสอนไปเด็กๆอยากฝึกง่ายแต่ว่าพอมันไม่เดินปัญญานะมันก็ไม่ได้อะไรได้สงบ วันนี้สงบปูนี้ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปฟุ้งซ่านอีกมาทําความสงบใหม่สงบมาพักผ่อนไปสองสามวันฟุ้งอีกละวนเวียนอยู่อย่างนี้ปีแล้วปีเล่าหมดไปทั้ง22ปีแต่ไม่เลิกที่จะภาวนามันเคยชินอยากภาวนาอยากได้มากผลนิพพานแนละใจลึกๆแต่ว่าตอนเด็กไม่รู้จักมากผลนิพพานหรอก คิดว่าภาวนามันคงจะดีชีวิตต่อไปข้างหน้าคงจะดีมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจิตใจจะได้ดีถ้ามาเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงปู่ดูลนัเป็นพระที่แปลกเราไปเรียนกรรมฐานกับท่านนะท่านไปถามกรรมฐานเนะี่ยถ้าไปครั้งแรกนะท่านจะยังไม่พูดหรอกท่านจะต้องนั่งหลับตาเงียบๆไปรวมๆชั่วโมงแหละพอลืมตาขึ้นท่านก็สอนต่อ สอนวต่อยอดให้นะเราเคยทํามาแบบไหนท่านก็ต่อยอดให้อย่างหลวงพ่อเคยทําภาวนานะหายใจพุโทโธอะไรเนงะี้ยใจสงบท่านก็บอกพุโทโธไปใจสงบแล้วดูจิตต่อ mm hmm. ถามาท่านให้ทําอะไรท่านให้ดูจิตต่อนะบางคนเคยดูกายนะท่านอาจารย์สุจินอาจารย์สุจินอยู่หนองน้ําเขียวอานะ mm hmm. จารย์สุจินแต่เดิมเรียนจากหลวงปู่หลุยตอนเป็นค า, ารวะ แล้วก็ไปเจอหลวงปู่ดุลนะไปขอบวชกับหลวงพูดุลจะบวชกับหลวงปูดุลก็ไปขอหลวงปู่หลุยก่อนนะไม่จะไปอยู่กับหลวงพูดุลหลวงปู่หลุยก็อนุญาตว่าโอภะดีไปหาหลวงพูดุลนะหลวงพูดุลไม่ได้สอนให้ดูจิตนะท่านเห็นว่าหลวงพ่อสุจินเนี่ยท่านแยกร่างกายเรียกว่ามังกายหลวงปู่หลุยสอนมังกายมังกายนี่คือนึกเขานะ เลือฉีกแขนออกไปข้างฉีกขาฉีกไปหมดเลยฉีกร่างกายเป็นชิ้นชิ้นเนี่ยนั่งวันวันนั่งฉีกอยู่ในร่างกายเนี่ยจิตมีพลังเยอะนะจิตสงบอะข่มกามราคะอะไรได้ดีหลวงป่ดูลย์ก็สอนบอกว่าให้สลายกายเข้าสู่จิตเคยมั่งกายก็ให้ดูกายไปแต่ว่าสลายสลายมันไปทิ้งมันไปทิ้งทงดึงทิ้งไป สือเรือด้จิตมาดูจิตต่อนี่สอนจารองค์ไม่มีเหมือนกันนะอัศจรรย์มากเลยไปหาท่านนะท่านไม่ถามเราว่าเคยปฏิบัติมายังไงท่านสอบประวัติตัวเองแต่สมัยนั้นทำได้นะเดือนสองเดือนมีคนไปถามทักคนท่านกาอยู่ท่านเงียบๆไม่มีคนรู้จักนะบุญที่สุดเลยอยู่มาจนอายุเก้าสบกว่าปีคนเริ่มรู้จักลถทั่วลง พวกทั่วเขาก็าดีอย่างนะเขาไปทําบุญหลักสูตรของเขาก็คือวิ่งไปวันหนึ่งต้องได้9้าวัดอะไรเงี้ยวิ่งไปพอถึงวัด น, นี้สิ่งแรกที่ต้องทํานะมีสองพวกพวกหนึ่งวิ่งเข้าห้องน้ําพวกหนึ่งวิ่งไปรถน้ํามนนะสลับกันแปบ๊บเดียวอ้าวถวายสังฆทานรับพรขึ้นรถอะไปอีกวัดเขาก็ดีอย่างนั้นนะก็ดีดีกว่าไม่ทําเลย พวกเราก็อย่าไปขวบล อ, อเขาพวกเรามีสติมีปัญญามากกว่ามหัดภาวนานี่หลวงพ่อก็หัดนะมาดูหลวงปู่ให้ดูจิตให้ดูไปด้วยเลยดูไปแล้วเห็นอะไรดูไปดูไปเราเห็นปฏิจจสมุปบาทใครไม่เคยได้ยินคําว่าปฏิจจสมุปบาทบ้างมีไหมยกมือให้ดูกล้าหาญหน่อยซื่อๆใครไม่เคยได้ยินคําว่าปฏิจจสมุปบาทนะ พระเจ้าสอนถึงขนาดผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมะที่สําคัญมากขนาดเวลาพระพุทธเจ้าท่านอยู่องค์เดียวนะั้นท่านยังท่องปฏิจจสมุปบาทเล่นท่านพุทธาทาสบอกท่านทาเพลงพระพุทธเจ้าทาเพลงปฏิจจสมุปบาทเอวิชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาบิญญาณังนย่างนนะี้ ไล่ไ ล, ลไปจนบทกลับนะก็บอกอวิชายาตะเววะอเซาาาาสาพิราคะนิโรธาสังขารนิโรธูความสำรอกไม่เหลือของอวิชานะหมดไปอวิชาหมุดไปสังขารก็ดับพอสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนะนามรูปดับอายตนะก็ดับอายตนะดับผัสสะคือการกระทบอารมณ์ก็ดับ ภาษาดับเวทนาก็ดับเวทนาดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานก็ดับอุปาทานดับน้พบก็ดับพบดับชาติก็ดับชาติดับทุกก็ดับนี่มัเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลนะถ้าเรามหัตภาวนาเราจะเห็นปฏิจจสมุปบาทแต่เบื้องต้นเราจะเห็นท่อนปลายกันเรายังไม่รู้หรอกไอตัวเนี้มันมาอย่างไงยังไม่รู้นี่เป็นส่วนของอดีต นามรูปที่เราครอบครองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นผลของอดีตเป็นวิบากจากอาดีตนะวิบากกรรมของในอดีตนะส่งผลให้เราได้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้รูปอย่างนี้ตอนที่เกิดมาเนี่ยเรียกว่ากรรมมาฉลรูปรูปที่กรรมทําให้เกิดขึ้นมาบางคนสวยบางคนไม่สวยบางคนหน้าตาอย่างน้นอย่างนี้บางคนพิการ เ, เกิดมาด้วยกรรมที่ไม่เหมือนกันนะ เป็นการกระทําในอดีตเรื่องการกระทําทั้งหลายมีผล ม, มีรากฐานมาจากอวิชชาเนี่ยตอน ต, อน ต, อนตอน้นๆอย่างเรายังไม่เห็นเนาะเราหัดภาวนาทีแรกๆเราก็จะเห็นรู้สึกไอ้นี่มีอยู่แล้วมีนามมีรูปอยู่แล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วเราจะเริ่มเห็นตั้งแต่ผัสสะเพรตากระทบรูปใช่ไหมความรู้สึกก็เกิดที่ใจเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมา เห็นไหมอย่างตาเรามองเห็นเห็นคนนี้เห็นผู้หญิงสวยเนี่ยใจมีความสุขขึ้นมาหรือเห็นคนน่ากลัวคนนี้หน้าตาเพิ่งออกโทรทัศน์เนี่ยไปปล้นเข้ามาตำรวจประกาศจับออกโทรทัศน์เห็นแล้วกลัวเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจกลัวใช่หไหมใจมัเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเมื่อมีการกระทบอารมณ์หูได้ยินเสียงใจก็เกิดความรู้สึกขึ้นมา อย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนแก่ถ้าได้ยินเสียงเพลงสมัยโบราณเนะี่ยมันเพลาะนะมีเพลาะพอใจนะถ้าได้ยินเสียงเพลงของเด็กวัยรุ่นใครวะมันร้องอะไรวะฟังไม่ออกอนะไม่ได้แกล้งนะแต่ฟังไม่ออกจริงๆนะเหมือนหมากัดกันยังไงก็ไม่รู้งองแง่งงองแง่งอะไรนะมีใครไหมรู้สึกว่าฟังเพลงสมัยใหม่ฟังไม่รู้เรื่องมีไหมช่วยยกมือหน่อย นี่แหละคือคนแก่จำไหมนะเนี่ยดัดชนีชีวัดความชราใครยกก่อนคนนั้นแก่มากพี่ไหว ย, ยกปุ๊บเลยยกที่หลังเนี่ยพวกแก่ปานกลางพวกเด็กๆบอกว่าโอ้เพราะจะตายเพลงรุ่นเก่าหลอนบอกว่าหลอนนะหูได้ยินเสียงใชไหมความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้นใจคิด ความรู istic, ้สึกสุขรู <getting> <actually> <sk> ้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่เราหัดภาวนานะเราจะรู้เลยพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็เกิดขึ้นพอความรู้สึกสุขเกิดขึ้นแล้วอะไรเกิดตามมาพอความรู้สึกสุขเกิดขึ้นราคะจะเกิดตามมาเช่นแม่ฟังเพลงนี้มันเพลาะนะมีความสุขใจก็เพลิดเพลินราคะเกิดแล้วเกิดความเพลิดเพลิน เวลาความทุกข์เกิดขึ้นอะไรจะตามมาโทสะจะตามมานะอย่างเวลาถูกมดกัดรู้สึกไหมจิตมีราคาไม่มดกัดไม่มีราคาถูกหมาบ้า ก, กัดเนี่ยยิ่งไม่มีราคาใหญ่ถูกหมากัดแล้วโทสะนะมันเกิดราคาเนี่ยมันแฝงตัวตามสุขเวทนามาโทสะนัมันแฝงตัวตามทุกขเวทนามา เร า, าหัดภาวนาเราจะเห็นกระบวนการทำงานของมันพอมีราคาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเองใจมันชอบมันอยากได้นะอยากให้มีอยากให้เป็นเมื่อโทรา์เกิดขึ้นนะมันอยากให้หายไปอยากให้พ้นไปอยากให้สิ้นไปนะอยากให้มีอยากให้เป็นก็เรนะียกว่าตัณหาเป็นความอยากนะอยากให้มันหายไปก็เรียก ว, ว่าตัณหาเป็นความอยาก อยากให้ไม่มีอยากให้ไม่เป็นเรียกว่าวิภวะตัณหาอยากได้อยากได้ในอารมณ์อย่างนี้เรียกว่ากามตัณหาอยากเป็นอย่างนี้อยากอยู่ในสภาวะอย่างนี้อยากอยู่ในภพอย่างนี้เรียกว่าภาวะตัณหาอยากพ้นไปจากสภาวะอย่างนี้เรียกว่าวิภวะตัณหาเห็นไหมเบทนาเกิดขึ้นใช่ไหมกิเลสก็แทรกแล้กิเลสแทรกแลตัณหาก็แทรกตาม นี่เรหัดภาวนาเราจะเห็นกระบวนการทํางานของใจนะนี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่หยุดแค่นี้หรอกถ้าสติไม่รู้ทันแต่ถ้าสติรู้ทันตัณหาที่เกิดขึ้นนะตัณหาดับปฏิจจสมุปบาทวงจรนี้ก็ดับไปขาดแค่นี้ไม่ปรุงต่อแต่ถ้าดูไม่ทันสติปัญญาไม่ทันตัณหาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจิตมันจะเข้าไปหยิบฉวยอารมณ์นะไปยึดถือ กระทั่งของที่ไม่ชอบมันยึดถือไหมสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเรายึดถือไหม<อ>ยึดถือนะสิ่งที่เราอยากผลักเนี่ยเราจะติดมันยกตัวอย่างไมโครโฟนเนี่หลวงพ่ออยากผลักมันใช่ไหมหลวงพ่อต้องไปติดมันก่อนนะเนี่ยติดตลอดเวลาที่ผลัก<ม>เวลาจิตจะผลักอารมณ์ก็เหมือนกันจิตจะจับอารมณ์ใช่ไหมจับั น, นอยากให้หายต้นะตที่จิตที่เข้าไปยึดไปถือไปจับเนี่ยเรียกว่าอุปาทาน ส่งที่เป็นอุปาทานนะท่านแจกแจกแจงไปอันหนึ่งคือกามกามได้เกิดความอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็คือบรรดารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปยึดไว้อย่างหนึ่งเนี่ยว่ากามอุปาทานอีกอย่างหนึ่งที่พวกเรายึดกันก็คือทิฏฐุปาทานยึดในความเห็นส่วนใหญ่จะยึดในความเห็นผิดพวกเราจะยึดว่านี่มีเรานะมีเราอยู่คนนะ มีความเห็นผิดว่ามีเรายึดถือว่ามีเราแน่นอนอีกอันหนึ่งเรียกว่าศรราิลพัตตูปปาฐานยึดถือว่าวิธีปฏิบัติอย่างนี้แหละจะ น, นำไปสู่ความทุกข์ถือศีลบาเพ็ญลดแบบงมงายไม่เข้าทางสายกลางนั่นแหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นการบังคับตัวเองกดข่มตัวเองอีกพวกหนึ่งก็คือเพลิดเพลินไปตามกิเลสมีบางคนมีทฤษฎีนะบอกว่าปัญหาความอยากเนี่ย มันจะมีไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าสนองมันแล้วมันก็หายไปอย่างคนนี้เจ้าชู้นะมีเมียไปห้า้อยคนแล้วมันเบื่อไปเองเลยจริงไม่ใช่เบื่อหรอกมันตายไปแล้ว <c oughs> แล้วกรามแนละ้วเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเนี่บางคนมีความคิดนี้ตะกระเหรอพามันกินของอร่อยทุกวันเลยเดี๋ยวมันก็เบื่อเนี่ยเนี่ยทฤษฎีสนองตัญหาเพื่อละตัญหาทฤษฎีอย่างนี้ก็มีนะอันนี้เป็นกามมาสุขาริการุโยกอีกอันหนึ่งก็กดข่มไว้ เองอยากกินข้าไม่กินเองอยากนอนข้าไม่นอนเองจะทำอะไรใจอยากอะไรทำตรงข้ามใจอยากภาวนาข้าจะนอนนี่เพราะข้าไม่ทำตามอยากนี่โง่แล้วนะเลยกิเลสหลอกซ้าซ้อนนะมีอะไรฮะของอุปาทานคูดอะไรไปบ้างละการอุปาทานที่ตุปาทานศิลระตุปาทานอะไรกันอัตวาตุปาทานเนี่ยต้องถามฝ่ายวิชาการ อัตวาทุปาทานก็คือมีวาทะว่ามีตัวมีตนนะพวกเราเรารู้สึกไหมมีตัวมีตน ม, มีเราเวลาพูดคําว่าเรารู้สึกไหมมันรู้สึกเป็นเราจริงๆนะถ้าเป็นพระโสดาบันไม่มนะีพระโสดาบันยละอุปาทานไปได้หลายตัวเป็นเรื่องแปลกนะพระโสดาบันละอะไรละทิฏฐุปาทานละความเห็นผิดละมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายนะละอัตวาทุปาทาน ละวัฏทะที่ว่ามีตัวมีตนได้ละศิลพัตุปาทานได้เนั้นได้เป็นพระโสดาบันนี้ละไปสามในสี่แล้วนะนี่น่าตื่นเต้นต้องทําเสียงอย่างนี้นะละได้ตั้งสามในสีนะ่แน่เหลือเดียวคือกามอุปาทานนี่บางคนสงสัยเหลืออุปาทานอยู่อันเดียวอะเหลือแต่กามอุปาทานกับอุปาทานในกามก็พระนาคาละกรรมได้แล้วอะแล้วพระอราหันต์จะเหลืออุปาทานอะไรอะ่ะ ชักยุ่งเราสินะอุปาทานหมดไปซะก่อนแล้ว <c oughs> ในคำภีร์แล้วก็ขยายความว่ากามเนี้ยรวมทั้งรูปปราคะอรูปปราคะด้วยเราะนั้นพระอนาคาก็ยังไม่สิ้นกามสิ้นแต่กามาคุณอารมณ์นะสิ้นแต่ความรักกามราคะแต่ยังมีราคะที่ละเอียดท่านก็อนุโลมสงเคราะห์เข้าในกามอุปาทานเนี่ย่ยางยึดยึดในความสุขในความสงบเ <c oughs> นพอใจ วันไหนไม่เจอโยมนะั้นมีความสุขมากเลยวันไหนเจอโยมนะจิตใจแป้วแป๊วเนี่ยสแสดงว่าไม่ใช่พระอราหันต์หรอกถ้าเจอโยมแนละ้วอ๋มาอีกแล้วเหรอเมื่อไหร่จะไปให้หมดอย่างเงี้ยนะอย่างเนี้ยแสดงว่ายังติดอยู่ในความสุขความสงบอยู่นะอุปาทานเกิดขึ้นนะ ค, คือใจไม่เข้าไปยึดยึดอะไรบ้างก็ยึดมีสีอย่างเนี้ยนะ อุปทานเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเรายึดอะไรนะจิตใจจะดินน้นรนทํางานปรุงแต่งในเรื่องเหล่านั้นนะยึดในกามชอบของสวยของงามนะใจก็จะฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องกามอยากโน่อนอยากนี่นะอยากได้มือถือใหม่เดี๋ยวนี้มีอะไรบีบีมีอะไรเห็น <c oughs> <c oughs> อยู่ข้างถนนเยอะแยะนะเดี๋ยววันโ น, น้นเดี๋ยววันนี้นะอยากไดนะ้ใจไม่ค่อยวิคิดแต่เรื่องเนี้ยใจมันออกนอก กใจไปปรุงแต่งใจไปทํางานสร้างภพสร้างชาติขึ้นมานะการทํางานของจิตนี่แหละเรียกว่าภพคําว่าภพมีสองอัน น, นนะอันหนึ่งเรียกว่ากรรมภพกรรมภพคือการทํางานของจิตอีกอันหนึ่งเรียกว่าอุปัตติภพคืออุบัตินั่นเองอุปัตติภพอย่างเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราอุบัติเป็นมนุษยนะ์เพราะฉะนั้นเรามีภพของมนุษย์ภพมนุษย์นี่เรียกว่าอุปัตติภนพะในภพในปฏิจจสมปรบาท ต่อที่ต่อจากอุปาทานเนี่ยนะนะจะเป็นกรรมภพนะกรรมภพก็คือการทํางานของจิตจิตชอบอันนี้จิตก็จะไปดิ้นรวนวุ่นวายอยู่กับสิ่งนี้จิตเกลียดอันนี้จิตก็จะไปดิ้นรวนวุ่นวายอยู่กับสิ่งนีนะ้ไม่ว่าจะชอบเลยจะไม่ชอบนะจิตก็จะไปวุ่นวายอยู่กับสิ่งนั้นยกตัวอย่างง่ายๆเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็จะคิดถึงเขาตลอดใช่ไหมยิ่งรักมากยิ่งคิดถึงมากนึกออกไหม กลับข้างกันเราเกลียดใครมากเราก็คิดถึงมากรู้สึกไหมใช่ไหมยินดีนะก็ปรุงแต่งนะก็สร้างพบสร้างชาติทํางานทางใจยินร้ายก็ปรุงแต่งสร้างพบสร้างชาติทํางานทางใจเนี่เราจะเห็นจิตของตัวเองนะเราหัดภาวนาเราจะเห็นมาเป็นลําดับบางอย่างตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมานะเกิดเฉยเฉยขึ้นมากิเลสก็แทรกถ้าเฉยเฉยไม่้โมหะแทรกเรา พอกิเลสแทรกแล้วจิตก็จะเกิดความอยากขึ้นมาตามแรงผักดันมีตัณหาพออยากแล้วมันจะเข้าไปยึดเข้าไปยึดแล้วมันจะเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปทํางานเรียกว่าสร้างภพพอมันเข้าไปทํางานมันจะเกิดผู้ทํางานขึ้นมามันจะเกิดการที่ไปหยิบฉวยเอาเอารูปเอานามเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมานะตัวนี้เรียกว่าชาติชาติคือความได้มาซึ่งอายตะนะนะ ถ้าโดยสับออกมานนะี่ยชาติเป็นความได้มาซึ่งอายตนะได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแต่เดิมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ไหมมีอยู่เพราะเป็นวิบากเป็นของเก่าเป็นผลงานในอดีตมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จิตยังไม่ได้ไปหยิบฉวยขึ้นมาตรวที่มีชาติเนี่ยคือจิตมันเป็นตะครุบขึ้นมาแะไปยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมามีเรามีตัวกูขึ้นมาล้วมันไม่ได้ยึดแค่ตาเป็นเรานะ ไปยึดตามเมื่อไหร่มันก็รู้สึกมีเรายึดในความเป็นเราขึ้นมาไปยึดที่หูมันก็เกิดความรู้สึกมีเราทั้งตัวขึ้นมาการยึดเข้าไปเมื่อไหร่ก็มีเราขึ้นมาเมื่อ น, นั้นนี่ตัวชาติเกิดขึ้นใจดิ้นรนเข้าไปใจดิ้นรนใจทํางานใจปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาสว่าตัวนี้คือตัวชาติ เมื่อเราหยิบเวยเอาความเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วสิ่งที่จะติดไม้ติดมือมาพร้อมๆกับการไปหยิบเวยความเป็นตัวเป็นตนตนั่นคือทุกข์นั่นเองนะเพราะอะไรเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าขันท่านั่นแหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วมันเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์โดยสภาวะนะเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วดังนั้นการที่เราไปยึดถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุภะ ธรรมารมไปยึดถือรูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณไปยึดถือวิญญาณ18อย่างวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นปยึดถือธาตุวิญญาณ6อย่างแล้วมีธาตุอีก12บสคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโกฏิพระธรรมารมเนี่ยมีเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่ต้องรู้เยอะเท่านี้ก็ได้นะ บางคนก็เห็นแค่ขันห้าก็พอบางคนก็เห็นว่าไปหยิบเฉวยอายตนะขึ้นมาบางคนก็เห็นไปหยิบเฉวยธาตุขึ้นมาแล้วยึดขึ้นมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเมื่อไหร่หยิบเฉวยไว้เมื่อนั้นภาร ะ, าะ ก, า ก, ก็จะเกิดขึ้นความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะตัวมันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ยกตัวอย่างนะนี่พัดนะนี่พับนี่กรติกน้ําอันไหนหนักกว่ากันต้องบอกกติกใช่ไหมเนี่ยถ้าหลวงพ่อไม่ยึดกระติกวางไปอะไรจะหนักเออพัดหนัก คันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไปหยิบช่วยมันขึ้นมามันถึงจะหนักถ้าเราไม่หยิบช่วยมันก็เป็นสภาพของมันมันก็ทุกข์โดยตัวของมันแต่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่ไปหยิบเวยขึ้นมาทุกที่ไปหยิบช่วยนี่แหละได้เรียกว่าชาต์หยิบช่วยขึ้นมามีมีเราขึ้นมาแนะยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดถือในรูปเวทนานสัญญาสังขารวิญญาณนะนั้นทันทีที่มีชาติเกิดขึ้นนะทุกข์ก็เกิดขึ้นเลยภาระเกิดขึ้นแนละ้วความบีบคั้นเกิดขึ้นแล้ ตัวขันห้านะั้นอ่ะตัวอายนตนนะนั่นเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองนะร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์หรือตัวสุขละ่ะเราว่าเป็นตัวสุขใช่ไหมถ้ายังเด็กๆอยู่รู้สึกร่างกายเป็นสุขนานๆทุกทีหนึ่งนะคนไหนเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างมีไหมแต่หลวงพ่อจะนับผู้ที่เห็นร่างกายเป็นทุกข์คืออย่างน้อยต้องพระอนาคาขขึ้นไปแล้วนะ ใครเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างพวกผ้านาคาตะกี้ก็ยกมืออีกเห็นั้มจริงๆไม่เห็นหรอกว่ากายเป็นทุกข์จริงๆเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตก็เหมือนกันเราเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะถ้าฝึกดีแล้วจิตทรงฌานทรงสมาธิมีแต่ความสุขนี่มิจฉาทิฏฐินะในควาเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองนะ แต่ถ้าปัญญาไม่พอนะก็จะเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าหลงโลกเลยเห็นว่ามันเป็นสุขหลงโลกสุดๆไปเลยเห็นว่ามันเป็นสุขในความเป็นจริงมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองแต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราถ้าจิตไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาเราน้นประเด็นสาคัญที่จะพ้นทุกข์หรือไม่พ้นทุกข์เนี่ยอยู่ตรงที่จิตนั่นแหละไปยึดถือไหมไปหยิบฉวยขึ้นมาไหมนะ ถ้าจิตไม่ไปยึดถือขันไม่ไปหยิบเฉวยขันขึ้นมาไม่ยึดถืออายตนะไม่หยิบเฉวยอายตนะขึ้นมาขันและอายตนะเท่าไหลายก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะพระอราหันต์เนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีขันพระอราหันต์ที่ยังไม่ตายนะก็มีขันห้าเหมือนที่พวกเรามีนั่นแะแต่ขันห้าบางส่วนของท่านแบ่งไปท่านไม่มีขันในส่วนที่เป็นอกุศลขันในส่วนที่เป็นกุศลยังมีอยู่แต่เขาเรียกว่ากิริยา เพราะว่าท่านไม่เสพขันก็คล้ายๆเราเนี่ยโดยเฉพาะร่างกายร่างกายนี้มีเหมือนที่พวกเรามีแต่ท่านไม่ยึดถือเพราะร่างกายของเราแก่ร่างกายของเราเจ็บร่างกายของเราตายเราทุรนทุรายแต่พระอรหันต์ร่างกายแก่เจ็บตายก็ไม่ทุรนทุรายเพราะไม่ได้ยึดถือเห็นไหมทุกหรือไม่ทุกทางใจเนี่ยอยู่ที่ยึดหรือไม่ยึดนี่ียของมันจริงๆกุญแจของมัน่จริงๆยึดหรือไม่ยึด นี่ถ้าเราหัดภาวนาให้ดีนะเราเกิดปัญญาเราเคยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆจนปัญญามันเกิดนะกายนี้ทุกนะกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ทุกไหมนั่งถ้านั่งแล้วไม่ทุกข์คงไม่ต้องเกานั่งแล้วไม่ทุกข์คงไม่ต้องขยับนั่งแล้วมีความสุขจะขยับทไมนั่งบางคนบอกพระอรหันต์มีความสุขต้องนั่งอย่างนั้นคนพิการแล้ว กระดุกระดิกไม่ได้นั่นมันจะถ้าปัญญาพอนะมันจะเห็นเลยขันเป็นตัวทุกข์นั่นเราดีสตินะคอรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกในใจบ่อยๆเรารู้สึกอยู่ที่ร่างกายเดินอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์แล้วนะเดินไปก็เมื่อยใช่ไหมเดินไปเดินมาไปเตะนั่นเตะนี่เจ็บเพื่ออีกนะนั่งอยู่ก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยใครนอนไม่เมื่อยมีไหม มีใครแล้วนอนแล้วไม่เมื่อยไหมมีเหมือนกันนะพวกถูกบล็อกเส้นประสาทไปหมดละวไม่รู้เรื่องเพนั้นจริงๆร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนใช่ไหมเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเรามีสตินะ่ารู้สึกในร่างกายได้เห็นมีแต่ทุกข์นะไอ้ความสุขนะัก็คือช่วงที่ความทุกข์มันลดลงแล้วก็รู้สึกสุขนะ พอความทุกข์มันแรงขึ้นเราค่อยๆรู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าสติปัญญาเราเร็วแล้วเราเห็นว่าที่ว่าสุขก็ทุกข์นะไม่ไม่สุขจริงหรอกความสุขอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เนี่ยพเราบีปัญญาเห็นอย่างนี้มันจะไม่ยึดไก่จะไม่ยึดไก่แล้วไ ก, กยเป็นก้อนทุกข์อยึดทาไมเหมือนเราเห็นขี้หมาใครจะไปหยิบขึ้นมาเล่นอ่ะใครจะไปหยิบขึ้นมาดมรู้ว่าขี้หมาเห็นไหมขี้ไก่อ้าวไหมขี้ไก่ขี้ไก่เอาขายได้ เราไปทําปุ๋ยขี้ไก่ยังไม่มีปุ๋ยขี้หมาเรามาดูจิตดูใจจิตใจมีแต่ความแปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงนะโลภแล้วก็ไม่โลภโกรธแล้วก็ไม่โกรธหลงแล้วก็ไม่หลงฟุ้งซ่านแล้วก็หดหูอนะไรเนี้ยหมุนไปด้วยสุขแล้วก็ไม่สุขทุกข์แล้วก็ไม่ทุกข์เฉยๆแล้วก็ไม่เฉยอนะไรเนี่ยหมุนอย่างเงี้ยนะน่าเบือ่อลองดูไปสี่วันนึงมีอะไรเท่าไหร่ บางคนบอกว่าโลกนี้มีสิ่งที่ให้เรียนรู้มากมายสิ่งที่เรียนรู้มากมายนะก็เรียนรู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอะ่นะพระทีเจ้าแทนที่ท่านจะให้รู้ไปเรียนโลกข้างนอกเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบนะพวกนักวิทยาศาสตร์เรียนไปดาวอื่นแล้วยังไม่จบเลยหมดแกแล็กซี่นี้เดี๋ยวมันไปแกแล็กซี่อื่นอีกเรียนเท่าไหร่มันไม่จบนะมันกว้างขวางไม่มีขอบเขตเลยความรู้นั้นเรียนเข้ามาที่ตัวเอง อย่าเราเห็นจิตเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันมีอยู่เท่านี้เองถึงจะกระทบอารมณ์หมื่นอย่างแสนอย่างนะมันก็มีแค่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เองน ะ, ะเฝ้ารู้เฝ้าดุยนี้มันเอื้อมละอานะมันค่อยๆวูวไม่ใช่ของดีของไม่เศษอะไรเล ย, เลยจิตนีนะ้มีแต่สิ่งบีบคัน้นมีแต่สิ่งแปรปรวนมีแต่สิ่งบังคับไม่ได้ตลอดเลยนี่เรียกมีปัญญารู้ทันจิตนะรู้ความจริงมันถึงจุดหนึ่งก็ไม่ยึดถือจิต เมื่อไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือขันห้าไม่ยึดถืออายตนะนะสิ่งเหล่านี้มีอยู่เป็นทุกข์โดยสภาพแต่เราไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาความพ้นทุกข์อยู่ตรงนี้เองนะส่วนเมื่อดับขันไปแล้วนะไม่มีขันขึ้นมาอีกนั่นเป็นความพ้นทุกข์อีกอย่างหนึ่งงนะั้นนิพพานมีสองนิพพานนะนิพพานอันหนึ่งนิพพานกิเลสนะพระอราหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่นิพพานกิเลสละจิตไม่ไปมีกิเลสขึ้นมาก็เลยไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมา พระอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคือนิพพานขันที่ท่านปรินิพพานท่านนิพพานไปแล้วนะีน่พานขันนิพพานขันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่มีขันที่จะเป็นตัวทุกข์มาตกกฎขวั่งถัวอื่นะไรอีกแล้วนะแล้วถ้าพวกเราฝึกนะเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรื่อยไปเพื่อวันหนึ่งจะได้ไม่ยึดถือมันไม่ไปแบกหา ม, มันขึ้นมาแล้วเรามีความสุขที่สุดเลยเราไม่มีภาระน ะ, ะต่อไปนี้พาร่างกายไปกินข้าวไปนิ่หมดเลยครับ